ท่านสาธาชนพุทธบริษัททั้งหลายเลือเพื่อนพิสูจน์สมเนณ์ทั้งหลายวันนี้ก็มาฟังเรื่องราวในท้องเรื่องของบรรษัทพ น, นางสามาวดีแต่ว่าประวัติเดิมของบรรนางสามาวดีที่จะเข้ามาเป็นเอกอัครมเหสีเขาเมาเจ้าทีนจบไปแล้ว <c oughs> แต่เรื่องจริงๆข้างหน้ามีมากวันนี้ก็มาว่ากันถึงประวัติของบรรนางวาสุนทัตตา นี่เป็นอัครมเหสีคนที่สองความมีโยว่าใกล้ๆ ก, กับเมืองโกสัมพีมีเมืองอีกเมืองหนึ่งที่ว่ากรุงอุเชนีมีพระราชามีพระคนนำพระเจ้าจันตะโชธเป็นพระราชาความจริงแวดแคว้นดินแดงติดกันน่าจะเป็นมิตรกันแต่แต่ว่าพระเจ้าปัจจันตะโชธ น, นั้น ทราบข่าวว่าพระเจ้าเทนมีมนพิเศษแลมีพินพิเศษสามารถจะเรียกช้างเรียกสัตว์ในป่าไม่ใช่ได้ตามความประสงค์จึงมีความปรารถนาจะจับพระเจ้าเทนบรมกษัตริย์ให้พระบาทเท่าเธอบอกมนให้อายาขอกันเฉยๆก็อายใจจึงปรึกษาสมัยข้าราชบริพา์ อมัดข้าจะบริพา์ก็กราบทูลว่าไม่สำเร็จพระเจ้าค่ะพราะเจ้าเทนนี่มีฤทธิ์เมียมนาจมากยากที่พึงจับได้ยิงหาหรืกันว่าควรจะทำยังไงก็เตที่ประชุมตกลงว่าควรจะทำช่างปลอมเอาสารไไม้มาสารเป็นช่างทำเป็นช่างยนต์แล้วก็มีคนอยู่ในชั้นหกสิบคน เรียกว่าดึงสายยนต์งวงงวงหอยับได้ขาเดินได้หัวสั่นได้เหมือนกับช่างจริงๆทำไมใ่ในที่ไกลทำเหมือนกับว่าช่างจริงๆเดินไปเดินมาแต่ช่างใหญ่มากสูงมากเป็นพิเศษ <c oughs> ว่วจุคนถ้าหกสิบคนมันเท่าช่างธรรมดาไม่ได้เอาไปปล่อยไว้กใกล้เขตแดเของพระเจ้าเทนคือเมืองโกสัมพี และก็ซุ่มกองทัพไว้ทั้งสองข้างทางในป่าลึกซุ่มไว้ตั้งใจว่าพระเจ้าทิ่นยังไงไงก็ต้องการช่างตัวนี้แน่ต่อมาพรานป่ายินเข้าเห็นช่างนี้ขาวผ่องเผือกเผาทั้งตัวซึ่งตามธรรมดาช่างเผือกเนีนเผือกเฉพาะจุดแต่ช่างตัวนี้เผือกทั้งตัว แล้วก็ใหญ่โตมโหรารมีสง่างามกว่าช้างธรรมดามากเือก็อยู่ไกลเข้าไปใกล้ไม่ได้ยังไปกราบทูลให้พระเจ้าอเท <c oughs> ียนทรงทราบพระเจ้าเทียนก็ยกทัพไปตามสงควรไปถึงก็ดีดพินแล้วก็ไา่มนให้ช้างมหาไล่เท่าไรก็ช้างมันไม่ใช่ช้างข้างในมันเป็นคน ไอ้ตัวช้างเกิดเป็นช้างสายมันก็เดินหนีเรื่อยๆท่านก็โกรธไปเรื่อยๆมันก็ไม่ทันในที่สุดก็เปลี่ยนจากช้างขี่ช้างเป็นมา้าม้ามันวิ่งเร็วกว่าคนอื่นเขาขี่ช้างก้าวไปไม่เร็วทันพระเจ้าเทงก็วิ่งเข้าไปใกล้ช้างถล่งพร้อมเข้าไปในเขตเขาไปกรุงเชนีตอนนั้นปรากฏทหารที่ส้มอยู่สองข้างป่า <c oughs> ออกมาจับพระเจ้าเทีนได้นําไปถไวายพระเจ้าจันทบัตโชติรัดากองทัพของพระเจ้าเทียนเจ้านายถูกจับก็ยับยังอยู่ชายแดนยังไม่กลายย้าจะล่วงล้ำเข้าไปเกรงว่าเขาจะฆ่าเจ้านายแล้วก็เคยฟังข่าวว่าถ้าเจ้านายถูกทําร้ายเมื่อไรก็จะโจมตีมานั้นเ <c oughs> นี่ยอันตรายใหญ่ไม่ได้เกิด พระเจ้าประจันตประโชยเมื่อจับพระเจ้าเทนไปได้แล้วก็ยังก็นํานเข้าไปเฝ้าแล้วก็กล่าวคําโดยสรุปว่าขอพูดยอย่อกว่าขอเรียนมนต์สำหรับเรียกสัตว์พระเจ้าเทนถามว่าท่านจะไหว้เราได้ไหมถ้าไหวเราได้เราจะให้เรียนถ้าไหวเราไม่ได้เราไม่ให้เรียนพระเจ้าประจันตประโชยก็บอกเราไม่ไหวท่าน พระเจ้าเทียบอกว่าถ้าท่านไม่ไหวเราเราก็ไม่ยอมไม่เรียนสิทธิ์ที่ไม่มีความเคารพในครูเรียนกันไม่ได้ท่านจะขังหรือท่านจะฆ่าเราก็ตามใจท่านอิสระในร่างกายของเราในตอนนั้นพระเจ้าเทยนยืยนและไม่แสดงความเคารพพระเจ้าประจันได้ไปโทถามว่าทำไมจะไม่แสดงความเคารพเราในฐานะที่เราเป็นพระราชา ได้ก็บอกว่าท่านเป็นพระราชาของคนอื่นเราถือว่าท่านจับเรามาเป็นเฉลยในเมื่อเราเป็นเชลยของท่านเราไป็ศัตรูกันจะไหวกันทําไมเมื่อถึงมาไหวท่านท่านอยากจะฆ่าเราท่านก็ฆ่าท่านอยากจะขังก็ขังไม่ใช่ไหวยแล้วหลุดไปถึงแม้ว่าจะปล่อยไปเราก็ไม่ไหวในฐานะเราก็เป็นกษัตริย์เหมือนกันก็พูดอย่างนักเกลง พระเจ้าจันทร์พระพุก็ไม่มีเจตนาจะฆ่าคิดว่าเราจะต้องการเรียนมนุ์ให้ได้ต้องการมนุ์เท่านั้นยังถามว่าตาหักว่าเราได้คนอื่นเรียนแล้วคนอื่นไหวท่านท่านจะสอนไหมพระเจ้าเท่งบอกว่าถ้าใครไหว้เราได้เราก็สอนว่าเจ้าประจันพระพุคิดในใจว่าเรามีลูกสาวอยู่คนหนึ่งชื่อว่าสุนทัขตาแต่ไม่ได้บอกนะ กลับบอกว่าฉันมีหญิงคนหนึ่งเป็นหญิงค่อมเธอเป็นคนหลังค่อมจะให้ไปเรียนมวยกับเธอแล้วก็ให้ไหว้เธอแต่ว่าเรียนอยู่ในม่านนะท่านท่านยืนอยู่นอกม่านหญิงค้อมมันไหว้ท่านอยู่ในมาน่านท่านจะให้เรียนไหมพระเจ้าประจันตประเจ้าพระเจ้าอุเทนก็บอกว่าให้เรียนถ้าไหว้ได้ก็ให้เรียนในฐานะที่ท่านจะเรียนต่อเราก็ไม่ว่า ยิงได้ส่งพระเจ้าเทนไปขังไว้ในที่ขังโจดและตัวเองก็ดื่มน้ําชัยนาะเดียวน้ําชายบาลอยู่สามวันต่อมาพระเจ้าเท็นก็ถามคู่กบ ก, กลุมว่าพระราชาของเจ้าไปไหนจับเชอลยได้มันน่าจะฆ่าแล้วจะลงโทษยังไงก็ว่ากันไปแต่พระราชาของเจ้ามีนิสัยคล้ายผู้หญิงไม่ได้เป็นพระราชาที่แท้จริง ไม่สมศักดิ์รีในการเป็นพระราชานายผู้คุมก็มาบอกให้ฟังต่อมาพระเจ้าปรจจัจนตประโชยกเ็เรียกลูกสาวมาคือพระนาวาสุนัทตาบอว่าเวลานี้มีผู้ชายคนหนึ่งเป็นโลกน้าเต้าเรื้อนเป็นโรกเรื้อนน้ำเต้าแต่ว่าเขามีมนดีมนของเขาสามารถเรียกสัตว์ในป่ามาใช้ได้ตามความประสงค์ พ่อต้องการให้เจ้าไปเรียนมนนั้นแต่ยัดกั้นม่านไม่เห็นหน้ากันเพระเดี๋ยว้โรคเลือด น, น้ำเต้ามันจะติดเจ้าอยู่ข้างในเรียนมนยกมือไหว้เขาจะอยู่ไกล้ไม่เป็นไรเพราะเขาแอบใจขอเรียนมนจากเขาแล้วพ่อจะเรียนต่อลูกสาก็ยอมรับคันถึงวันเวลาก็ไปขอเรียนเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณแล้วปรากฏว่าพระเจ้าเทีน สอนไปสอนมาสอนมาสอนไปเธอก็จําไม่ค่ยได้ได้หน้าลืมหลังได้หลังลืมหนาท่อหนก็เลยโกรดบอกอีค่อมปากหนาคล้ายกับปากกระโถนมนเท่านี้ทาไมมึงจาไม่ได้สอนเท่าไรไม่รู้จักจําพ่อ น, นางวาสุนันตราตตกใจ ไอ้เอไอ้โรคเรือนน้ำเต้าเนี่ยมันดีอย่างไงฉันได้โกนนะว่าไอ้โรคเรือนน้ำเต้าทําไมแม่พรามเราอย่างนี้กล่าววอาจารย์ระยับขายนี่เราไม่ได้เป็นหญิงค้อมเราเป็นบุตรสาวขบราชามีนมามว่าสุนัตตาทาไมจะมาดูถูกดูเหมื่นอย่างนี้เป็นการหมิ่นพระร่มเดชานูกครับเมื่อต่างคนต่างทะเลาะ ก, กันท่านพระเจ้า เ, เทียนบอกใครบอกว่าใครบอกมึงว่าเบิ ก, กูเป็นโรคเรือนน้ำเต่า ไอ้ความมโหเกิดขึ้นพ้นนางก็เปิดมกกไม้สบายดูพระเจ้าเทงต่างคนต่างเปิดเจอหน้ากันโอโหที่ไหนได้แม่หญิงค่อมกลายเป็นสาวงามที่น่ารักเป็นสกลุลลุนชติของพระราชาแต่ว่านายเรือนน้าเต้าก็เป็นพระราชาเหมือนกันที่พระเจ้าประจันตภโทษป้องกันอย่างนั้นก็เกรงว่าสองคนที่รักกันจะเกิดได้เสียเป็นผัวเมียกัน แต่ที่ไหนได้เมื่อต่างคนต่างเจอกันต่างคนต่างเห็นกันต่างคนต่างรู้เรื่องกันเรื่องมันก็ลงเอ่ยกันได้ก็เลยเป็นสามีพัญญากันอยู่หลายวันเรียนแบบนี้หลายวันไลยที่สุดเรียนไม่ต้องจบพ่อถามลูกสา ว, วาเรียนจบหรือยังลูกสาวก็บอกว่ายังพระเจ้าค่ะยังพี่เจ้าคทุกวันแต่ก็ไปเรียนทุกวันพ่อถามที่ไรก็บอกยังไม่จบพระเจ้าค่ะ ต่อมาพระเจ้าป็นวันนักขัตฤ ร, ริ์เป็นจะมีงานใหญ่ในเมืองพระเจ้าเทนบอกว่าบอกพัญญาบวกเราควรจะห น, นีแต่ึืนอยู่อย่างนี้มันไม่ปลอดภัยถ้าเขาจับได้เล้วก็ตายด้วยกันทั้งคู่ภก็เป็นการหมิ่นพ่อหลวเดชานุภาพฉันเองก็ยืนฐานาฉะฉันเลยพระนางวาสมุทกตายก็ยอมรับอย่ า, าทางให้ ในตอนกลางวันวันโลกขึ้นจึงเข้าไปเฝ้าพระราชบิดากราบทูลว่าการเรียนมนจนจดจวนจดแล้วพระเจ้าค่าแต่ว่าต้องได้สมุนไพรอันหนึ่งจัดเป็นยามาประกอบกับมนถ้าได้สมุนไพรอันนี้มาประกอบกับมนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะสําเร็จหมดต้องการอะไรได้สมความปรารถนาพระเจ้าประจันตประโชยพระราชาวีดาก็ถามว่าต้องการอะไร เธอก็บอกว่าสิ่งที่ต้องการก็คือหนึ่งภาชนะและกระบะตูสําหรับออกภาชะตัวหนึ่งกับประตู้สำหรับออกพระเจ้าประจันโทศก็ส่งอนุ ญ, ญาตว่าประตูไหนที่เจ้าต้องการเจ้าออกได้ประตูนั้นโดยไม่มีการขัดข้องจะสั่งไว้ต้องการภาชนะตัวไหน <c oughs> ที่มีกําลังเดินไหวก็เอาได้เลือกเอาตามความประสงค์ แตะบรรนางบอกว่าการไปหาโอสถอันนี้ต้องไปเวลากลางคืนไปเจ้าค่ะ <c oughs> ไปเวลากลางคืนในยามดึกเพราะว่าจะต้องสังเกตดวงดาวถ้าดาวนั้นขึ้นทางทิศไหนโอสถอยู่ทิศนั้นจึงจะปรากฏถ้าดาวไม่ขึ้นโอสดกายสิทธิ์นี่ก็ไม่ปรากฏกายหมายว่าต้นสมุนไพรจะไม่โผล่ไอเจ้าพ่อก็ตกลงทุกอย่างให้มันได้เถอดอีกคราวนี้แหละ อยาจะได้มนเขากลายเป็นได้ตกสาวต้องเป็นเมียเขา <c oughs> ตามพระ่บาลีเทศบอกว่าพระเจ้าประจันตประโชตนั้นมีภาณนะที่มีความสําคัญอยู่ห้าได้กันหนึ่งนางช้างคือช้างตัวเมียชื่อพัทธว ด, ดีเดินไปได้วันละห้าสิบโยตมีท่านคนหนึ่งชื่อวากากะเดินไปได้วันละหกสิบโยต มีม้ายอยู่สองตัวคือมา้าม้าเวละกังสิและม้ามุตชะเกสิเดินไปได้วันร้อยยชดแล้วก็มีแช่งนาลาคิรีตัวหนึ่งเดินไปได้วันร้อยยี่สิบยชดตามข่าวอาริสองอันนี้ท่านบอกว่าในสมัยก่อนพระเจ้าประจันตประโชดเป็นคนรับใช้ของอิสรชนคนหนึ่ง ในวันหนึ่งพระบาเจกพระติจาวเวลานั้นว่างจากพระพุทธศาสนาแต่มีพระประเจก พ, พระธเจ้าพระประเจกพุทธเจ้าเข้าไปบินาศบาทในเมืองมานดลใจชาวบ้านที่เตรียมตัวในการใส่บารให้นั่งเฉยท่านเดินไปตลอดสายไม่มีใครใส่บาทที่จะกลับออกมาพยามายรยมแปลงกายเป็นชายคนหนึ่งเข้ายกมือไหว้ถามว่าพระคุณเจ้าไม่มีใครใส่บารหรือ พระปบาเจ้พระพุทธเจ้าท่านก็มีญาณเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าท่านก็นเลยบอกว่าข้าเจ้าทําให้เขาใส่บาตรเขาไม่มีใครเขาใส่แล้วก็มานก็บอกว่าเข้าไปใหม่ครับผมจะบันดาลในเขาใส่บาตรพระปบาเจ้พุทธเจ้าก็บอกว่าฉันไม่เข้าไปถ้าฉันไม่มีกินฉันจะอยู่ในวยอำนาจธรรมปีติเป็นว่า ท, ท่านทราบว่าถ้าขึ้นเข้าไปมานจะดนใจชาบ้านตกมือวระยอพระปบาเจ้พระพุทธเจ้าองค์นั้น ต่อมาท่านเดินมาเจ้าน่อยของประจันทร์ธรโชติในเวลานั้นเห็นพระปฏิเสธพระรพุทธเจ้าเขา <c oughs> สงสัยว่าบาดทําไมจึงเบาจึงถามเรื่คุณเจ้า ว, ว่าได้อะไรบ้างมันก็รับถ้าไปมีในบาตรได้อะไรบ้างไหมพระปตีกสธพระรพุทธเจ้าก็ตอบว่าอัตตาถาก็อัตมาเดินเข้าไปแล้วแล้วก็เดินกลับออกมาถ้าไม่ได้บอกว่าได้หรือไม่ได้ ท่านก็เข้าใจว่าคงไม่ได้อะไรมาทะนี่มนท่านให้หยุดก่อนเพราะจะยืนยันว่าจะใส่บายก็ไม่แน่นอนนะขอจะมีแล้วไม่มีขอพระคุณเจ้าเยวยืนคอยผมตรงนี้ก่อนขอรับสักครู่หนึ่งท่านก็รีบเข้าบ้านถาวแม่ครัวว่าอาหารสำหรับฉันเสร็จแล้วอยังก็ต่อเมื่อเสร็จแล้วจึงได้เรียกคนใช้ในคืนคนใช้มาคนหนึ่งบอกนี่พ่อคุณ คนในบ้านใครที่ว่องไวเท่าเธอนะ่ไม่มีมีเธอคนเดียวเท่านั้นที่มีความว่องไวกว่าคนอืน่นเจ้นั้นเธอจงเอาอาหารนี่รีบไปใส่บาตรพระบัเจกพระุเจ้าที่ยืนคอยอยู่ที่นั่นเมื่อไปแล้วในคนนั้นก็รีบไปรีบอาหารนั่นก็วิ่งไปใส่บาตรพระบัจจีุธเจ้าและอธิษฐานว่าทำใดที่พระผู้เป็นเจ้าเห็นแล้ว พอผมเห็นทำนั้นด้วยเถยดก็รับและก็ในฐานะที่ผมวิ่งไปแล้ววิ่งมาด้วยความเร็วหลังต้งตากแดดประเภทนี้ต่อไปในภายหน้าให้ผมมีภานะสามารถจะมีภาณนะได้ห้าอย่างคือได้ได้ตันนี้คือหนึ่งภาณนะที่เดินได้ห้าสิบโยต์หกสิบโยต์ร้อยโยต์ร้อยี่สิบโยดพระเบเจโเจ้าก็ให้พรว่าเอวังโหตุ ว่าเจ้าปรารถนาสิ่งใดค่อยได้สินั้นสงความปรารถนา <c oughs> <c oughs> และพรต่อไปว่าสิ่งที่ต้องการแล้วปรารถนาแล้วจงพันสำเ ร, ร็จสําเร็จแก่ท่านขอความดําริทั้งปวงจงเต็มดังพระจันท ร, ร์ซึ่งมีในดิธีสิบห้าคำสิ่งที่ต้องการแล้วปรารถนาแล้วจงพันสําเร็จแก่ท่านขอความดําริทั้งปวงจงเต็ม ดังแก้วนีชื่อว่าโชติรสตามที่คำแปลยอย่างนี้เขาอย่างที่พระทีเรียกว่ายะถาวริวหานแหละเขาแปลนี่แปลเต็มเป็นนั้นว่าอาสัยที่พานะขา้าพเจ้าประจันวชโชตมีอย่างนี้พนางวาสุนัตตาจึงเลือกเอาช้างนาลาคิรีที่เดินได้วันละรอยี่สิบโยชน์จะไม่มีพาณะตัวใดตามทันแล้วก็นาเงินไปหนึ่งกับสอบ นำทองคำเป็นหน่งอสอดขึ้นหลังช้างเวลาเด็กก็พาพระเจ้าเทงขึ้นหลังช้างออกทางประตูที่ต้องการไม่มีใครทัดฐานได้เพราะพระราชาอนุญาตไว้แต่ว่าเจ้าหนะ้าที่ทหารทราบข่าวว่าพระนางวาสุนัตตาพาพระเจ้าเทงขึ้นหลังช้างไปก็ทราบได้ทันทีว่าหนีแล้วเวลานี้ ฉันรื่องนี้ฉัเลยนี่แล้วพาลูกษาวไปด้วยแต่ว่าลูกสาพระราชาพากันเฉลยนีก็จะว่ากันไม่ได้ไม่รู้ว่าใครไปใครรวมความแล้วพระเจ้าเทีนก็สั่งทหารติดตามทันทีพราเวลารุ่งสว่างทหารเข้าไปใกล้พระเจ้าเทียนยังปโปรยเงินเรียรายหมดกรสอบค่อยๆโปรยทีน้อยๆเรื่อยๆไปแช่งก็เดินเรื่อยไป บรรดาทหารนั่งหลายเจอเงินเข้าทําไงแต่ขานี้ถ้าอย่ตามไปมันก็เสียผลประโยชน์ยังไงไงเอาได้ไปก่อนต่างคนต่างช่วยกันเก็บเงินแย่งกันเงินอยู่พักใหญ่ใช้กันช้างก็เดินไกลไปเมื่อเก็บเงินเสเร็จเดี๋ยวจะแล้วก็ตามไปใหม่ีตอนนี้ใกล้ถึงชายแดนพระเจ้าเทงก็โปรยทองเรีรายอีกตอนนี้ผู้ทหารลืมช้างอีกโปรยทองอีกครั้งหนึ่งเก็บทองอีกครั้งหนึ่ง เป็นนั้นว่าช้างตัวนั้นเดินเข้าเขตของเมืองโกสัมพีบรรดาทาหารข้าพระเจ้าเทีนบริบากสัตว์พระบาทเท่าเัวก็วิ่งเข้ามาล้อมพระราชาไว้ว ก, ก็นำเข้าพระนครเป็นนั้นว่าพระเจ้าเทงก็เขาสถาปนาพระนางวารุณตาเป็นอัครมเหสีคนที่สองนีร่ระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> เรื่องนี้ก็ต้องรวบรักกันหน่อยทั้งนี้เพราะอะไร เพราะว่าเรื่องยาวถ้าต่อไปก็ยาวอีกนั่นแหละรวงความว่าพระเจ้าเทนมีรายมีมพัญญาคนที่สองชื่อว่าพระนางวาสุนทัตตารับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็อยู่กันด้วยความเป็นสุขความจริงเรื่องเขาพรนางวาสุนทัตตานี่จบแค่นี้จบจริงๆแต่ว่านางสา ม, มาวาดีไม่จบ ว่าเป็นพนาวาสนานี่เป็นหมหิสีแล้วก็เงียบเทียบไม่มีขา่ขาวเอื้อเฉาเลยเป็นนั้นว่าเวลานี้เวลากระเลยห้านาทีเป็นเวลาที่เราจะคุยกันเรื่องคติของธรรมะเป็ะ น, นั้นว่าในเวลานี้ที่เราฟังเรื่องพระเจ้าประจันตประโชดความจริงท่านอยากได้เกินไปอยากได้มน ถ้าจะเป็นไม่กันมันก็จะดีกว่านี่จับเจ้าของมึงเข้ามาเป็นเฉลยสิายที่สุดต้องการมน์ของเขาแต่ลูกสาวของเราต้องเสียไปเรื <c oughs> ่ความจริงก็ไม่น่าจะคิดอะไรมากในเมื่อได้ลูเขยเป็นพระราชาเช่นเดียวกันก็เป็นของไม่แปลกแต่ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัท ต, <c oughs> ตัวละครในท้องเรื่องทั้งหมดพระเจ้าประจันตรประโชยก็ดี <c oughs> แ้าเจ้าเท่งก็ดี น, นางวาสุนทสตาก็ดีเวลานี้ไม่มีตัวไม่มีตนแล้ว <c oughs> ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าต่างคนต่างตายเมืองโกสัมพีก็อาจจะมีชื่อเป็นเมืองอะไรก็ไม่ทราบแล้วก็เมืองอุเทนีกรุงอุเทนีก็เช่นเดียวกัน เวลานี้ในเมืองแขกจะมีชีนิตนิ่งยังไงก็ไม่สับรวมความทุกเสียงทุกอย่างไปอันอนี้จังมันเป็นของไม่เที่ยงถ้าเราจะถือว่าเราจะทรงชีวิตอยู่ตลอดการตลอดสมัยก็ดูตัวอย่างตัวละครในเรื่อง <c oughs> ในที่สุดก็แก่ก็ตายเหมือนกันหมดแสดงว่าทุกเสียงทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนัตตาถ้าเราหวังติดโลกอยู่หวังการเกิดอยู่เราก็จะมีแต่ความทุกข์ แล้วการเบียนไหวตายเกิดอย่างนี้หาที่สุดไม่ได้เป็นว่าบรรดาเพื่อนพิสุสมนเณเทั้งหลายและญาติโยมพุทธบริษัทในฐานะที่ท่านคนดีผมคนดีญาติโยมคนดี <c oughs> ต่างคนต่างก็เป็นสาขยบุตรพุทธกีนโนรสเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเหมือนกันเนื่อเมื่อในเมื่อพระพุทธบิดาทรงแนะนำว่าโลกนี้เป็นทุกข์ การเวียนว่ายตายเกิดเป็นทุกข์ไม่ดีจุดที่มีความสุขจริงๆไม่มีความหนักในจิตนัต่นก็คือพระนิพพานและการไปพระนิพพานเราจะทำไงก็ตักกิเลสสามตัวคือราคะแลรวว่าโลภะแล้วก็โทสะแล้วก็โมหะแต่การจะยกช้างไปจาก อ, อกหมันแสนยากอันดับแรกเราเข้าคอกช้างก่อน เข้าในข้อช้างทางกําลังอดีช้างเผือเมื่อะไรจับเมื่อนั้นวิธีเข้าข้อทำอยังไงพอเข้าข้อได้อย่างนี้เราจะไม่ตกมารกไม่เกิดเป็นเปรตไม่เป็นไม่เกิดเป็น อ, นอสุรกายไม่เกิดเป็นสติฉันอีกอย่างเร็วที่สุดเราตายจากความเป็นคนจะเป็นเทวดาหรือผมถ้าพบภาษีอาริยะไม่ไกลเมื่อไร่ไปนิพนธ์เมื่อนั้น แล้วก็กลับนี้ยังมีพระพุทธเจ้ามาอีกหองฟังเทศจากพระพุทธเจ้าหกองคไปนิ้ผ่านแน่แต่ความจริงได้ใช้กําลังใจตามนี้ฟังเทศจบเดียเบรานปฏิพันธ์นั่นขึ้นหนึ่งคิดไว้เสมอว่าชีวิตนี้มันจะต้องตายเราจะไม่ห่วงใ ย, ยร่างกายเกินไปขณะใดที่ร่างกายมีทรงอยู่เราจะสร้างแต่ความดีไม่สร้างความชั่วทำํำจิตใจให้ผ่องใส ใช้ปัญญาพิจรารณาความดีเขาองค์สมเด็จระจอมใจคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและก็ะาอาริยสง์ยอมรับนับถือด้วยปัญญาหลังจากนั้นทรงสินห้าให้บริสุทธิ์คือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สมไม่ประพฤติผิดในกรมสไม่พูดพดไม่พูดคำหยาบไม่นินทาชาวบ้านไม่ยุเอหอแตกกันไม่พูดวาจาที่ไรประโยชน์ ถ้าไม่เด่มสุราได้มีไรกําลังใจตั้งไว้ในภรมีหารสี่เป็นปกติถ้ากําลังใจของมรนดาแต่พุทธบริษัทได้สามารถจักภาวะปณิพานได้ให้ส่งกําลังใจไปนิพานเป็นปกติเมื่อตายจากความเป็นคนก็ไปนิพานได้ถ้ายังไม่ปณิพันไม่ได้เพียงใดเกิดท่ามเอืญเกิดเป็นมนุษย์เกิดเกิดได้แค่มนุษย์ลงอบายจะพูไม่ได้ จะเป็นคนมีรูปร่างหน้าตาสดส่งสวยผิวพรรณดีมีโรคน้อยมีอายุยืนนานและเป็นที่รักของชาวบ้านทั่วไปทรัพย์สมบัติจะบริบูรณ์สมบูรณ์ไม่ไมีภัยไม่อไม่อันตรายคนในปกครองของเราจะว่านอนสอยง่ายอยู่ในวาดและวาจาของท่านนั้นจะเป็นวาจาเป็นทิพย์คือพูดกับใครคนพวกคนมันหลายอยากจะฟัง แล้วปฏิสังขญะธมรมดาท่านหลายจะสมบูรณ์บริบูรณ์คือไม่เป็นโรคประสาทและไม่ใช่หลบบา <c oughs> ตามนี้สมเด็จพระสัมม า, าสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสีเลนสุขติงยันติคนมีศินมีชีวิตอยู่ก็เป็นสุขตายไปแล้วก็เป็นสุ ข, ส, ขสีเลนโพก็สมาธาคนที่มีศินมีชีวิตอยู่ทรัพย์สมบัติก็ไม่ผิดเพี้ยงตายไปแล้วก็มีทรัพย์สมบัติมากสีเลนะนิปุติงยันติ ตายไปแล้วจากความเป็นคนม่หวังได้สิ่งพระนิพพานอรันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านทั้นยางบอกว่าเวลาปรากฏแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบันดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี